โยที่จะกราบนรัตการลากับประสงค์หลักมณฑัยที่เคอหากระานบ้านคงทนเริ่มต้นในวันนี้นั่นความจเจริกนกรรมาฐานที่จะได้ผลนั่น จิตใจน้อมนึกเลยที่ถึงคุณพระพิจารณาใจน้อมนำํำถึงคุณพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมที่มีจิตใจของท่านทั้งหลายถ้าทำคําสอนของพระองค์ทุกอย่างตามพระธรร ม, มวินัยแด้เรามาด้วยความตั้งใจเมื่อปฏิบัติธรรม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 จะมีผิวพรร์ของสยในภายใน้็จะแสดงออกในภายนอกคือลูกปรดช้านา ม, มารมนั่นก็เรียกว่าลัทนัดใจมีอยู่ในจิตใจของท่านได้มาได้ท่านถึงจะได้รับผลอนิสงเหล่านั้นเรามาเจริญกุศลภาวนาจะเป็นเวลาเท่าใดก็ตาม ที่กล่าวไว้มาวานเชัดการกำหนดติดตั้งสตินี้ทำได้ยากมากไม่ใช่ว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกรูของหนอยุกหนอก็ยังทำกันไม่ได้เป็นส่วนมากและตั้งสติไว้ปากตรงไปจักศีษะก็ยังทำกันได้ยากไปพิจารณาตาหูสมุกอะไรกันไป แสดงมโนภาพผิดแผกแตกกันไปการที่ยืนนะั้นเราต้องการให้รู้ว่าตัวยืนอยู่สร้างสติให้มันชัดถ้ามันอยู่กับจิตสิเราก็จะดีขึ้นให้มาสติดีกับจิตจิตมันก็แจ่มใสขึ้นปัญญามันก็เกิดขึ้น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 เราจะมีความเราเล็กถึงชีวิตนี้เราเล็กถึงข้อคิดเรา้ล็กถึงอดีตและอนาคตทางสองประการนั้นถ้าโดยวิธีปฏิบัติก็ใ้ปัจจุบันเป็นข้อปฏิบัติเมื่อเมื่อข้อปฏิบัติได้ดีแล้วอดีตอนาคตมันก็แจ่มใสทำอะไรก็ดีขึ้นตรงนี้เป็นหลักปฏิบัติ เรามีสติธัรมปัญญะเนี่ยทำยากถ้าเรากลมหนดได้มันจะง่ายเึินไปเราจะดูพิยามารยาของคนที่ปฏิบัติที่มีธรรมะประจําจิตนั้นจะเรียบร้อยจะทําอะไรก็คล้อยตามอ่อนน้อมไปหมดทําอะไรก็มีระบบระเบียบในชิตของเขาชีวิตนี้เนะ่ย ถึงจะมีราคามีค่าขึ้นแาหาว่าขาดข้อนี้ไปชีวิตก็ไร้ค่าเวลาไปก็เสียประโยชน์ในเวลามากมายไม่เกิดประโยชน์ในเวลาแล้วคิดว่าจะคิดออกไปนอกรู่นอกทางคิดว่าตามอารมณ์คิดว่าเราทําถูกแล้วพอจะจริงผิดลงผิดเลย ถ้าเราไม่สติดีมีสัมปชัญญะดีจำเลิกถึงชีวิตไดกว่าชีวิตนี้มาจากอย่างไรมาจากกำเนิดเกิดของบิดามารดามาประสบพบลุลูวิชาการมาประสบพบอุปการะผู้ที่มีอุปการีเราจะได้สร้างความดีโดยการกระตัญญูกต ว, วิธิการธรรมหายากมาก พระพุทธเจ้าทรงสอนนะสอนหนาว่าคนหายากในโลกทั้งโลกจะมีน้อยมากั้องขับคนที่รู้ถึงยอยุปการีเผยอุปละอุปการละมาก่อนช่นองน้องประเดี๋ตะกูลนั่นหายากมากคนที่มีธรรมะซึ่งมีสติดีในการกำหนดตั้งใจเริ่มยืนหนอเป็นต้น แต่ถ้าจะมาสังเกตมาไม่มีใครทําได้เลยอยู่ส้างสติไว้ให้จิตปลูกพันให้ได้ยืนหนอหลงไปนั้นกลับไปพิจารณาอะไรถึงก็ไม่รู้เลยก็ไม่รู้จริงมันรู้กันจนเกินรู้แต่อารมณ์ของตนรู้แต่ใจของตนเอาแต่ํำเพภอใจของตนตลอดไปกา เลยก็กลายเป็นคนมากง่ายมากได้ไปออกมาทำนองนี้ชัดเจนคนที่รู้จริงสร้างสติไว้การกำหนดสภาวธรรมก็คือต้องการให้กิจกรรมของจิตนี้มีสติยืนหนอห้าครั้งเรื่องสามเบื้องบนที่อธิบายแล้วนั้นถ้าทำทั้งหลายํำได้ ฉันจะรู้ชีวิตขท่านเองว่าชีวิตเรานี่เกิดมาทำไมได้ไประโยชน์ตรงไหนแต่ชีวิตในกิดประจำวันมากเราก็จะได้เข้าไปเชื้อใจตรงนี้เป็นหลักใหญ่แต่เราทำไม่ได้กันไอลนั่นจะกะคอนย้อนอกลับมาเป็นคนมีธิฐิเบียดฉันในชีวิตทำลายชีวิตของตน ทำลายความดีของตนเองไม่ใช่คนอื่นมาทําร้ายแก้ประการได้ยืนนาะลงไปความไม่ใช่เป็นของง่ายแล้วก็ไม่ใช่เป็นของอยากแต่เราพยายามทําไปตลอดเนะยมันจะรู้เองว่าชีวิตเราเนี่ยมีแก่นสารตรงไหนบ้างควรจะใช้ชีวิตเนียเป็นประโยชน์สิทธิประจําวันอะไรบ้างมันจะบอกเราเองได้ชัดเจน แต่ก็ยังไม่มีใครทําได้หมวดจะไปยืนพิจารณาอะไรกันก็ไม่ทราบไครคำว่ า, ม, วาโมโนภาพไอ้ปัญหาผิดเข้าใจว่าตัวเองนะ่ะมีตามีหูลงไปมีเดือ ม, มีเขา่ามีขามีขาเข้าใจผิดไอ้คำว่ า, ม, วาโมโนภาพในที่นี้เนะี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงเราเยืนอยู่สภาพชีวิตเป็นอย่างนี้กันหนอ มีกายกับจิตมีลูกกับ น, นามขณะยืนเท่านั้นก็สร้างสติลงไปจิตปราบลงไปยืนหนอแต่ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจเยอะสอนให้เขาไม่เข้าใจถ้าใหม่ๆยังไม่สามารถจะถอนลมหายใจหรือจะไม่เข้าใจยืน ถึงสะดืออาจจะถอนหายใจออกแล้วก็หนอออกไปให้ยาวถึงปลายเท้าสำหรับผู้ที่ไม่เคยแล้วมันก็จะคุ้นต่อการกำหนดยืนหนอตัอแต่ปลายเท้าขึ้นมาก็กำหนดสารวมที่เท้าแล้วก็ตั้งสติไว้ที่ขีดนั้นแล้วก็ยืนขึ้นมา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 ขันดับสองดีนขึ้นมาก็กาหนดว่ายืนนอพอดีอย่างนี้แล้วพราะให้เมื่อทำได้เช่นนี้สติก็เจ็ตอยู่ด้วยกันมาได้แตนจะรู้เห็นแจ้งหจริงขึ้นมาในข้อหนึ่งเดี๋ยวจะไปมองเห็นที่ไหนจะมองใครตับการแต่ทิศะลงไปกลายเช่าขึ้นไนงอาจจะรู้ว่าวารางจิตของคน น, นั้นนิสัยเป็นยังไง นิสัยดีหรือไม่ดีมันกระชอนย้อนออกมาเป็นการสัมผัสสัมผัดกับจิตเราเราจะรู้ได้ว่าคนนั้นนิสัยดีไม่ดีบอกได้อย่างนี้ชัดเจนมากถูกต้องด้วยแต่ท่านทำได้กันบ้างหรื อ, อยังถ้าท่านทำไม่ได้ท่านจะไม่รู้ว่าละจิตกับคนอื่นว่าเขาต้องการอะไร และจิตคนนั้นกำลังไฟต่ำหรือไฟสูงประการใดเราก็จะได้ทราบเราก็ได้แจ้งชัดเจนเข้าไปอีกโดยการกำหนดประเภทนี้เป็นก้อนไม่ใช่มาปฏิบัติกันได้มัง่งมาได้มัง่งกลับไปก็เลิกไม่ได้ใช้สติแม้แต่เวลาเดียวไม่ใช่อการอันดีงามที่ทันมีอยู่ในปัจจุบันนั้น ถ้ทาทำทั้งหลายจะได้อะไรล่างจะไม่ไดอะไรเป็นประโยชน์แก่ตนเลยเลยก็วางเปล่าไปตามอันดับขาดสติสัมปชัญญะไหนเลยเราจะรู้จักวาลสิทธิ์ของคนได้ตรงนี้จะมากวจะทําได้ใช้เวลาทั้งสิบปีกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ทําทคลํมมารียอันนี้เรารู้แล้วเข้าใจแล้วต้องทําระบบนี้ ทำไมระบบนี้จะไม่ได้อะไรเลยจะไม่ได้ผลทำให้เชื่องทำให้ช้าทำให้เวลามีประโยชน์เถิดอันจะปะะั ก, กเตะชอบเกษตที่สดพเราทำได้หา้าครั้งในการหลับตาพิจารณาตัวเองพิจารณาให้มันค่องแค้ไม่ใช่หมายความว่าไปวิจัยประเมินผลในร่างกายก็ห้ามไม่ได้ สองตามจะให้สติอยู่กับตัวลาวขึกายนั่นเองเึียงกำหนดว่ายืนหนอสสำรวมทิพยลายเช้าให้ได้เอาสติสำรวมสำประชาญยะรู้เอาสติตามมันก็ตามขึ้นมาว่ายืนหนออย่างนี้ท่านจะได้ผล พอได้ผลแล้วก็ละลืมตาขวาอย่างหนอให้ชาที่สุดทํำอะไรอย่าเร็วทําลายชาจะได้สติทําลายชาไว้จะได้ปัญญาปัญญาจะได้ออกมาพิจารณาคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องทําแล้วจะได้ผลหรือไม่เด็ดผลมันจะออกมาให้เราทราบได้ทันทีอย่ามีเป็นต้น สำหรับหยับหยาบนะความวลาะเอียดยังมีมากกว่านี้ก็เราทำได้แล้วก็เดินตรงกลมช้าๆไปเร่ยได้กำหนดยืนดูกรับหนอกรับหนอให้ช้าที่สุดดูลูกดูกน้ำในตัวเองขาหน้าลูกน้ำในตัวเองมันจะรู้สภาวะธรรมของตนเอง หลับได้แล้วก็ยืนน้อยห้าครั้งหลับมาตรงเส้นบรรทัดแล้วจะขวาย่างค้าย่างต่อไปเรียกว่าเสร็จบรรทัดก็ยืนหนออีกห้าครั้งพิจารณาให้สติอยู่กับจิตตองการให้มีสตินั่นเองเพราะจิต ด, ดีมีปัญญารลอกรู้ได้แน่หลอกรู้ด้วยเหตุดีผล ทำได้ห้าครั้งเราก็รล็มตาเดินต่อไป ช, ะชะ้าๆเราจะเห็นขันห้ารูปน้ําเป็นอารมณ์ออกมาอย่างนี้ชัดแล้วเราก็เดินช้าๆไปอย่าไปเดี๋ยวหลอกแลบอย่าไปดูโน่นดูนี่มันเสียอารมณ์มันทําให้เสียอารมณ์ได้ถ้าจิตเราเข้าขันถึงตาถึงอาถึงตาถึงประเชนก็ให้ไม่จ้องมีความ อย่างนั้นจะเหลียวไหแลร่วลขวาอะไรก็สติมันก็อยู่แล้วมันก็ไม่หลอกแหลกไปตามเจตที่มันหลอกแหลกอีก้วสติก็ดีเกาะติดแน่นไหนมาจิตแน่นดูสติแล้วทำอะไรก็เกิดผนทำอะไรก็มีมรมีผลเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเราได้กําหนดเวลาก็นางลงไปนางหนอที่เราจะต้องกำหนด ตั้งสติในการนั่งสมาธิภาวนาหายใจเข้าออกใช่ช้าที่สุดก็ตั้งสติไว้ลมหายใจเข้าออกมันก็บอกได้ชัดหายใจเข้ายาวๆมันจะพองหายใจออกยาวๆมันจะยุบ ก, ก็ตั้งสติไว้จิตพองยุบนั่นเองก็หมายถึงว่าลมหายใจอยู่ที่ท้อง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 เราก็กำหนดทีละอย่างมาใชนางเครียดจนเกินไปมันปวดเมื่อยตรงไหนเป็นเวชนาเราก็อาสติไปก็จิิดปอตรงไปปวดเนอปวดเ น, อ, ดนอบางคนมานั่งคุยกันยังไม่เคยสองสามนาทีพริกไปพริกมามันปวดโน่นปวดนี่เพราะเขาขาดสตินั่นเอง แต่เขามีสติดีแล้วมันส่งไปพลิกไปพลิกมาหรอกมันมีสติอยู่ครบแล้วกอจิตก็ไม่ไปอุปาทานไปยิตมันไปเหนี่ยวมันไว้มันก็ต้องเป็นไปตามสภาพของมันเองบังคับบัญชาไม่ได้จะบังคับมันตรงไหนล่ามันก็บังคับไม่ได้แล้วมันเกิดเองแล้วมันก็สาบลายไปเองเกิดขึ้นอนั่งอยู่แล้วมันก็ดับไปตามสภาพของมันอย่างนี้เป็นต้น งานี้ได้ผลเนะี่ยไม่ต้องไปทำเอาไปสวรรค์นิพพานพอเราตั้งสติดีแล้วมีความรู้ตัวอยู่เสมอก็จะได้ผลดานิสงส์ความมุมาการชนาทุกประการออกมาชัดเจนในเมื่อเราเกิดตัวปัญญาตัวสมาธินะี่ยก็คือสัมปชัญญะรู้อยู่รู้ซึ้ง เข้าไปทิ้งสุดมุ่งหมายของตนเองแล้วก็รู้อ่านออกบอกได้นี่เรียกว่าตัวปัญญาเราจะได้หลบรู้สิ่งที่ควรจะรู้สิ่งที่ควรจะเห็นส่วนที่จะเป็นไปได้มันก็ได้เข้าใจให้เมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะได้เห็นผลอในสงสมความมุ่งมาตัณนาทุกประการคนนั้นจะเข้าถึงธรรมะ เวลากำหนอดอายนะถ้ายิงสีนี่ยเป็นอาการที่ต้องกำหนดโดยบังคับตาเห็นก็กำหนดหูด้ยิงเสียงก็กำหนดมูกไดกลินก็กำหนดนิรับรถก็ก ำ, กำหนดกายช้ำผัสก็กำหนดถ้ากำหนดแล้ว่าะมีแต่สติปัญญาจะทำอะไรก็เรียบร้ อ, อยทำอะไรก็คล่องแคล่ว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 มีชีวิตเป็นแก่สารตลอดเลยการบางคนขาดธรรมะมันจะมีทิฐิจะไม่เอาเนื้อเอาตายเลยจะมีความรู้สึกในใจว่าขีดขีดเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากจะทาการทำงานอะไรเลยไม่อยากให้ได้ผลานมีแต่การทำลายจิตทำลายใจทำลายตัวเองตลอดเลยการไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราเพราะเราทำตัวเอง มันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นก้อนท่ันทั้งหลายเข้าซึ่งดังที่กล่าวแล้วในงานท่านจะเข้าถึงท่านจะซึ่งใจงจะไฟดีตลอดจะไม่มีายทั่วเหมือนแต่ก่อนแล้วจะไฟดีจังนี้แต่ความซึ่งใจและสัจจะจะพูดอะไรก็พูดแต่ความจริงตลอดเวลาการจะกล่าวอะไรก็กล่าวด้วยการละเทศะ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 ถ้าท่านเข้าถึงมาลายท่านจะซึ้งของท่านเองท่า น, นจะไปดีท่านจะสร้างแต่ความดีตลอดจะไม่กลับไปสร้างความชั่วอีกต่อไปแล้วความหมอน ห, หมองในใจก็หายไปล้อลุ่มกลุ้มใจก็หายไปไมีแต่ความดีแทนที่อยู่เสมอถายถอนออกไปแล้วเนี่ยถึงจะซึ้งใจ นี่แหละฝ่ายดีจะมีจะฉะจะมีความจริงสแสดงออกเสมอจะไม่เป็นคนเลเพลาคาอีต่อไปแล้วจะไม่เป็นคนหละหลวมเหลวไหลจะเป็นคนผู้ที่มีกานสารและเนื้อหาสาระกล่าวกาละเทศะถูกห้องตามการเวลาทุกประกาจะทำอะไรจะมีแต่ความขยันมันเพียงคนที่ขี้เกียจ คนที่เห็นแต่ตัวนั้นไม่ใช่คนมีชำรรมะคนที่ไม่เห็นเห็นแต่ตัวนี้คนลายชำรรมะจะขี้เกียจจะเดียดฉันมีใจฉาลิขยาตลอดรายการที่ผ่านมาขอฝากท่านผู้ปฏิบัติธรรมไว้ด้วยบางคนเอาแต่ปฏิบัติแต่ไม่ได้อะไรมันไม่ซึ้งใจขึ้นมาเลยสักเล็กน้อยจะไม่นึกทิ้งกัตันยูกตเวทิการธรรม นี่แหละกรรมาพรากราวยมฟังผูธาทำติดต่อกันไปทำอะไรช้าใชา้ชยโยนิโสมานาจิการกลดกรองคำว่ากรองนี่ก็คือสติสัมปชัญญะตัวกำหนดกรรมฐ า, านเป็นตัวกลดกรองไม่ใช่เรารู้มากมันต้องรู้ครองรู้กลั่นรู้แจ้งรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นความจริงและเป็นเนื้อหาสาระในแก่นสารเหล่านั้นไม่ใช่รู้ทงเดีรู้มาก ไม่เอาเนื้อเ อ, อาใจากประการได้ห็นกับตัวตลอดเลการในแด่ท่านทั้งหลายเอ๋ยเราทําอะไรเนี่ยทำด้วยความยากความลําบากตลอดเลการคนที่มักให้มกหัมกได้หิงกั ต, ตัวตลอดเลยการก็เกิดผลอะไรหรือมันจะเกิดเสียหายชีวิตเขาเองชีวิตเขาจะไม่แจ่มใสชีวิตจะอับเฉา และเข้าไปสู่ในความอับจนสิทจนใจจนสติปัญญาของเขาเขาก็จะไม่ได้อะไรเลยการปฏิบททัติธรรมต้องการสุดนี้เป็นสุดสําคัญพอเจริญพรฝากจาตโยมด้วยพเราไปเราก็ปฏิบัติของเราเรื่อยไปวันนี้มาที่กุติหลายลายทั้งที่เราไม่สบายอยู่ก็ต้องช่วยพอแม่มาร้องโหยร้องไห้ลูกไม่พูดกับแม่แยงสมบัติพระกรฐาน แล้วกาจจะเอาโน่นเอานี้ตลอดการมีที่นี่เป็นประจำนี่นะคนไล่ชั่มะเขาจะไปโทษลูกนักก็ไมดีโทษพ่อแม่ที่ได้สละเลี้ยงลูกไม่ได้ผูกพันลูกมันจะด่าให้คำนองนี้เป็นต้นแล้วไม่ผูกกับพ่อกับแม่เลยมาแล้วร้องหหมร้องหายาหน้าที่ดยมีเป็นประจำที่มีวันนี้มีอีกสองลาย ที่มาประเภทนี้นะมีอยู่สองลางเนียนาที่ได้มากประเด็นมีกตัตตานยุกเตเวทิจตาธรรมเพราะฉะนั้นคนผู้ปฏิบัติธรรมจึงหายากมีแต่คนี่ไร้ธรรมะร้ายเหตุใปผลถึงประเด็นนใจในหน้าที่ ก, รการงานของเขาเขาจะกลายเป็นคนมักง่ายมักได้ไปตามชีวิตของเขาเองชีวิตเขาก็จะอับเฉา อับจนพอตลอดชีวิตชีวิตนี้จะไม่แจ่นใสจะไม่มีหน้ามีตาอีกอต่อไปทาไมเป็นประโยชน์ของเขาเองโดยเฉพาะจะโยมกลับไปเข้าชาทั้งจา้าฉวดมนภาวนาเถอะไม่มีอายดีกว่านี้แล้วแต่เรามีสติอยู่กับจิตมีปัญญาแก้ไขปัญหาถ้ามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราจะได้เอาปัญญาในตัวนี้เอาไปแก้ปัญหาเอง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 จะไดสร้างความดีอันนี้ติดตัวไปติจิตใจบันทึกหลักฐานเป็นตราความดีเป็นตราอันนี้จะได้มีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมีบทกรนทํานองธรรมชีวิตนี้เราก็จะเจริญเองจะเสื่อมหรือจะเจริญอยู่ที่ตัวของฉันเองฉานจะทําให้เสื่อมไม่มีใครเลื่อมใสไหนเลยเราใครเขาเราั้นจะเห็นด้วย ขอขอฝากไว้ในวันนี้โดยทั่วนากันบางคนเห็นแต่ตัวก็ไม่ว่ากันใครทําใครก็ได้โดยมก็มาวาระสุดท้ายลากลับยังได้มีโอกาสมาบำเพ็งกุศลถวายเป็นตราดจะกุศลให้ดวงวิญญาณดวงพระวิญญาณของสมเด็ดสีนกคกเรียนบรมราดชลาพระบรมราดชุน่นี้คือสมเด็จยากสมาไม่ขาด คนจากจะไปไกลจะกลับมาไม่ทันเท่านั้นยิงอยู่ที่นี่จะให้ขาดถาวายพระพรชัยมงคลให้สมเด็จมหาบพีประหลัดชุนทานเจ้าผู้เป็นประมุขผู้มีพระคุณอันสูงศ์สดโดยที่พระองค์เนี่ยทรงพระคุณอันประเสริฐแล้วล่าเลอทุกประการแล้วเราก็เป็นถาวายเป็นพระราชพุชชนถาวายชัยมงคลท่านทุกวัน อร่อยกาละเวลาเราก็ได้บุญเองใครทําใครก็ได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้ก็ไม่จังวากันใครทําใครได้นะใครไม่ทําก็ไม่จังได้เป็นของตายตัวของใครอยู่ในตัวเองอย่างนี้เป็นตน้นข อ, อน ม, มุธนาสาธุการฝากท่านทั้งหลายไปกุาชาสร้างความดีกับตัวเองแค่แล้วความดีเนี่ยคงจะไม่ไร้ผลหรอก ความดีจะติดตามตัวไปเงาบุญก็จะได้ไปเป็นความสุขอย่าไปสร้างเงาบาปเงาบาปมันก็ตามตัวไปเดือดร้อนไม่มีพ่อคองพี่น้องแสบรจกันใดจะไล่สาระในช่องโคมของขุนไทยเป็นทีนาที่ได้มากขอสขอากไปบูชาตั้งใจทำปฏิบัติธรรมะให้มีความเห็นอยู่ในจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน ขอท่านทั้งหลายจงเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรโดยทุนนากันและจงเจริญไปด้วยอายุวันนะาถูกาพละปฏิทานนาสารทมบัติในคลิอยางมีประการใดชมความมุ่งมาตาดนาคือการทุกข์กทุกนามหน้าโอกาสบัตรนี้เธิน สัพพโลฆาเวนิโมตุสัพสันติตุสัพเวลามติกาตุเนมภูตุสัพวังพาวาสัพพิยิโยวิวาจันตุัม ปฏิบัติทำพระกรรมาฐานทุกวละเวลาที่เราจะการาบ ม, มัชาการลาปไปก็มาต้องทำพิธีขอกายกรรมขอโอโหสิกรรมในโงรงโบสถ์นี้นะ่แม่เราได้มีโอกาสได้บบเพ็งกุศลถวายเป็นพระราชสิพนกุศลดวงพระวิญญาณต้นเด็กยา ทุกวันไม่ขาดร้วมกันทั้งภีสูตสองเสวามน่เสวนไม่จำเป็นเราไม่ขาดงอจากนั้นนั่งบำเพ็ญสมาธิแล้วก็กล่าวอนโมชนาถวายเป็นลารกุศมแต่สมเด็จมหา บ, บพิภาราชุมพาน้าวมีรองราชสมบัติครบห้าสิบรพัน 50, ชาทำทุกวันตลอดมาไม่ขาด ปสองพรอยสานิแปดสวธรรมจักรถวายวันที่เก้าทุกวันที่เก้าก็หลอดมาได้หนึ่งปีแล้วจะจะถึงวันที่เก้ามิถุนายนพุทธศักราชสองพานารอยสามสิบเก้าก็จะครบสิทธิ์กาหนดได้ถวายสัพพนชัยมงคลเสวตธรรมจักรถวายทุกวันที่เก้า ตลอดมาตามอันดับยาติโยมพุทธบุตรัตว์ทั้งหลายเราก็มาบำเพ็ญกุสลบำเพ็ญสิจภาวนาถวายเพนพระราชกุศลวางทุกทธาชิตลากลับไปนั่นเราก็ได้บุญในกุศลที่เราเป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมเราเพียงตั้งใจแล้วก็ได้บุญแล้ว ท่านตั้งใจจะสร้างบุญให้เกิดความศักเพียงตั้งใจไว้ท่านก็ต้องได้ก็ได้ด้วยความตั้งใจได้ด้วยการทำและปฏิบัติตรงนั้นจะเป็นประโยชน์ท่านไม่ใช่น้อยจะเป็นท่านผูใดใครที่ไหนก็ตามถ้าดังมีกุศลและจิตศรัทธาความเชื่อความมั่นใจในตอนแล้วก็วจะได้ประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเองอันนี้เป็นผลได้ ห ม, หมายความว่าทำบุญนี้จะไปเอาในชาติหน้าแต่ประการใดเราเพียงตั้งใจเฉยเฉยวาสวดมนต์กรงกุศลภาวน า, า, ว, นาวดครมจักรถวายทุกวันที่เก้าตั้งใจมั่นคงว่าจะถวายเป็นพลาจะกุศลกสุปัจัยเทียทานถวายเป็นคุณมูลิชัยพัฒนาของพระองค์ท่าน ตอนนี้เราก็ได้แล้วยังไม่ได้เอาเครียมไปถวายเลยระบาดุ้นเหตดจะอยู่หัวกันก่อมือพระไทยน้ำใจสักราเอามูมิธิดอกผลคุณชัยพัฒนามาถวายเป็นประสุเการ์ุวัดนี้มาตอนน้ำถ่วมร้อยกาวสุดกระสอบถวายไปแดงนี่แหละบุญเห็นทานตา ยังจะตั้งใจยังไม่ทอาไปยังไม่ทำเอาไปฉวายเราก็ได้แล้วแต่บางคนก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นบาบาต้องเหนียดจะอยู่หัวมีเพื่อจะถืทานยพื่จทานทั้งทานมาไปครั้งที่ห้าทุวังศกร์ตอนเยนครั้งที่หกขาสารกาวสารห้าสาิบประสอบ ครั้งที่เจ็ดอาสาร้อยสือสุตชศครั้งที่แปดวังที่เก่าคุ่มพาพัน์เหลืออีกอกี่ไม่กี่วันแหละในวันนั้นเราก็ต้องเจริญพระธรรมาจากักรอนบายนิ้วข้ามถ้ายเป็นพระราชกุศลรวมปัจจัยแม้แต่สตังเดียวก็รวมไว้สั่งใจมั่นคงลำลงศาส ลาธนาที่จะได้ถวายเป็นประดุษสอนคุณชัยพัฒนาโค้งจใะจะอยู่หัวเราองค์ได้ทรงเนื่อย่าพระวรกายมาเป็นถึงห้าสิบประพันศาเพื่อพัฒนาประเทศชาติเจริญเรียงเรีอยงวัฒนาสถาพรมาจนถึงทุกวันนี้เราก็รวมได้แล้วในวันซืิ น, นี้เขาก็มาเจิญเชคใหแสนถวายคุณชัยพัฒนา ก็เริ่นได้แนละ้วล้านสื่อแสนแล้วก็ได้เมืวันเชิญหนึงแสนเป็นล้านห้าแสนแล้วก็จะถึงวันที่เก้าเราต้องได้สองล้านเชิญขอประตาทายาที่น้องได้ทราบโดยขุนนากันนี่แหละบุญเห็นทราตาไม่ต่อไปเอาในชาติหน้าหรอกชาตินี้เห็นแน่ๆแต่เราทําบาปก็เห็นในชาตินี้ก็ได้รับกรรมเป็กดแห่งกรรมด้วยการชงน้นนี่แหละท่านที่น้องสิ่รับ มีทั้วประการใดอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดการเจริญกรรมฐานนี่สูงสุดในบวรขปุทธะศาชนะทานใครก็ทําได้บริจาคกันได้เยอะแยะไปจะปูกประจายบาตรสองบาตรก็บริจาคได้แต่ศีลไม่ค่อยมีใครรักษาศีลไม่ค่อยมีใครบาเพ็ญตรงนี้เรื่องสําคัญสาหรับชาวพุทธ บริจาคทานกันง่ายที่สุดเชื้อชราอันใดไปทาบุญวัดโน้นออกวัดนี้ก็ได้เั้งนั้นไม่มีใครห้ามแต่ศีลาจรวัดฝึกศีลที่เราไม่อยู่แล้วนั้นไม่แกลวออกมาใช้เป็นประโยชน์เลยไม่แหละคนไทยเราขาดศีลขาดธรรมขาดกิจกรรมที่มีประโยชน์ในชีวิตของท่านมากอยู่ตรงนั้น แต่ศีลดีแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าภาวนาภาวนาที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาคือไหแล้วแต่ทุกคนทำไม่ถึงศีนไม่ถึงภาวนาไอ้วินาจทานก็ใครก็ทำได้แค่ทานแต่แค่ศีนี่ยากมากทำไมเรียกว่ายากขอเสริจพรยังต่อไปนี่เราเป็นชาวพุทธพุทธศาสนาชนิ มีงานสาเทนพิธีก็ต้องรับศีลรับให้มีสติปัญญาแต่แล้วคนไทยชาวพุทธรับสีลกันมากหนะ้าหลายตารับแล้วก็ไปค่าสาบรับแล้วก็ไปเบียดเบียนสาบเขารับแล้วก็ไปล่วงประเวณีหน้าบาดซื้อในชัองคมมากมายหลากองรับแล้วเราจะไปโกหกโก้ว่าพูดเท็จซอเทียคำยาเพื่อเจอกันมากหนะ้าหลายตาขึ้นห้วยลงเขากันเยอะ รับแล้วยังไปเดินตุลายาเมาหยุดเสพยาติดนี่หรือชาวพุทธ น, นี่ใครรับศีลใครก็รับได้ใครปากรับแต่จิตไม่ยอมรับทำไมจึงกระตุ้จะยอมรับได้ต้องเจริญภาวนาให้จิตมันมั่นคงเนี่ยแม้จิตมั่นคงใน ล, ลับคำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะ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 ออกมาอย่างนี้เป็นตอนมีความหมายนอกเหนือจากนั้นแล้วเจริญกูสอนภาวนาตาบุตรธิดาทั้งท่านดูหนังสือสามครั้งก็เรียกว่าภาวนาดูหนังสือครั้งเดียวเรียกว่าดูหนังสือทิมไม่ได้ผลดูครั้งแรกในเรื่องอะไร อ, อ, อ้อนในเรื่องเพระว่าฉันดอนวันยาคดีอเขาเรียนศึกษาการดูซ้ําเข้าไปอีกครัง้งสองให้มันจบถึงจะรู้ว่ามันมีติตรน มันมีสามสิศสามตอนพูสามกันบูช้ามเข้าไปอีกข้างหนึ่งเป็นภาวนาจะรู้ว่าเชื่อมโยงตรงไหนมีเนื้อหาสาราประการใดแา่สารเป็นยังไงก็จะรู้เข้าใจนี่นะ่ะคือภาวนาเรามานั่งสวดมนต์ไหว้พระทำให้มีสติทำให้มีสมาธิในการสวดมนต์สาธยายมนต การสวดมนต์นี้ไม่ใช่ว่าพระคาถาให้มีฤทธิ์เดชเดชาไในข้าวทั้งหลายแต่เป็นประตูขององค์เนรือใครก็ตามเมื่อสมัยพุทธกาลนั้นเราต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าวัวนละสองครั้งสอนเช้าก็เข้าเฝ้าเพื่อฟัอฟงโอวาทสอนเย็นก็ต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟัอฟงโอวาทเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครมาฟังไม่ใครทั้งนีใครเข้าบสถกัน มาจังสวดชัดระยะจะประการใดจะทำสวดของเราที่เราสวดจะไปนั้นเป็นธรรมะเป็นปัจฉิมโอวาททางตุคาจังสวดมนต์ทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นขันตค า, าเนี่ยพิฆโว อ, อมันสยามยุโวขายวิยะธรรมมาสังขาราอปประปมาเทนะสัมปาเทสาตีนี่แหละต้องสวดทุกวันเพื่อาะไม่ประมาทในชีวิตเป็นปัจฉิมโอวาทาท้งสุ้ายของพระพุทธเจ้าที่ชัดเจน เราต้องการให้มีสติเราพุทธเจ้าเราจึงเดินหันไปหาพระอานนท์เสียหนุชาก่อนที่สเสด็จดับขันตานิทานเป็นปัจฉิ ม, มโอวายขั้นสุดท้ายนี่แหละอานนท์สีอนุชาสั้งขานกับบางเสียมลงไปแล้วสั้งขานหมดสภาพแล้วค่อยๆเลี่นแล้วก็ค่อยเส่อมไปแล้วก็จะหมดไปในที่สุดสังหลายอย่าอยู่ด้วยความประมาทเลยพยายามส้างความดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่จะเป็นปัดชิ้มาโอวาคัมผูกายของทุนพุทธเจา้าเรามาสวดมนต์ไว้พระก็ต้องการตรงนี้นะตระทการมาเฝ้าพาระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าเสด็จดับขามปฏิญาณแล้วอันยังปากสาธนาทำค ร, ร, รั้กสอนไว้แต่พะสองพุทธบริษัทอุบาศกอุบาติกาข่านรากไว้แต่เราก็เอาไปทอดทิ้งใช่ไหมต้องเข้โบสต์สวดมนต์เย็นก็มาต้องเข้าโบสต์สวดมนต์ แล้วมาต้องทําอะไรเลยแล้วก็สาปแช่งที่คำสอนของเราพุทธเจ้านั้นเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนเอาไปโยนทิ้งไว้ที่ไหนกันยังมี้กันตอนการเจริญภาวนาตั้งสมาธิกรรมฐานอุปัชฌนากรรมฐานท่าานงองสประการอุบายวิธีทํำจิตสงบก่อนเป็นขั้นตอนเมื่อมาจิตสงบแล้วเราก็สติรัดเข้าไปมีสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ทั่วรู้เข้าใจรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้กาย รู้ก า, า, าลเทศะกิจะลัคณะจะได้รู้บาปลูบุญรู้คุณรู้โทษรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แล้วก็เข้ามาในสิงในจิตใจนี่แหละมาเป็นประโยชน์แก่ผู้ภาวนาภาวนาในสวดมนต์ไหว้พระเดี๋ยวนี้คนทายชาวพูดสวดมนต์ไม่เป็นหลักธนาสิงก็ไม่เป็นหลักธนาธรรมก็ไม่เป็นถวายทานก็ไม่เป็นต้องเอาคลิปมาช่วยหลักธนาสิง การมากมาที่อยู่ตามโรงเรียนที่เข้าไปฝึกปฏิบัติกำ น, นั้นก็มีประโยชน์แต่พวกผีบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญประโยชน์ของเขาเองอันนี้ขอเจริญพร อ, อย่างนั้นการสมาธิแปลว่าศึกษาชีวิตการขา้อเิศให้จิตสงบงการศึกษาร่างกายฉังข่าเจตาโลมาณคาทันตาตา่ตาโตาตา่ตาโตาตันตาณนะคาโลมาเตสาในสมาธรรมาธ นุปัจฉนาก็ต้องลงกรรมฐานทั้งนั้นแต่สมาธิเป็นการศึกษาชีวิตเป็นการต้องให้ข้อคิดให้เรามีสติปัญญาระลึกเหตนะุผลนั่นคือวิปัสนากรรมฐานขันห้าลูกนะ้ำเป็นอารมณ์ถึงจะถูกต้องแต่หลายปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นวิปัสนาไม่ได้หรอกมันจะเป็นสมาธิยึดเหนีย ว, วอารมณ์ยึดปัญญัติเป็นอารมณ์ไว้ก่อนเพื่อเป็นการศึกษาแสวงหาความรู้ของจริง การได้ของจีิเนี่ยเกิดขึ้นแต่งอยู่ดับไปแปรปวนเปลี่ยนแปลงแ ป, แ ป, แ ป, แ ป, ปรผันแต่การกระทของสภาวธรรมนี่ถนนึงจะเป็นวีปรัชนาได้ตอนหลังตอนต้นก็เป็นเทียงสมถะสุดยืนหนอห้าครั้งนั่นจะคือตาจ่าปัญจคากราากมมฐานชัดเจนเราจะไปบอกเตาะโลมานะคาทันตาตาโตตาโตทันตานะขาโลมาเตชะอร้อยปีก็ไม่ไดถอนไม่ได้ถอน ก็ตร้งสติวัตถิศีกะลงกลายชาวเบื้องบนกลายชาวขึ้นมาเบื้องต่ำกลายสนอย่างก็มีสติอยู่ก็บคิดทาให้เรามีสติปัญญาบาเราตรงนี้สติปัญญาจะรู้ว่าละจิตของเราว่าอารมณ์เป็นอย่างไรเราเข้าใจอารมณ์แล้วเราจะเลยรู้อารมณ์คนเองบ้างเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาคนนี้เดินมานี่ใสไม่ดีคนนี้หัวขาดจะตายไม่เคยพลาดไม่เคยผิดเลยแต่ท่าน ปัญหามันอยู่ที่ท่านทำได้มั้ยทำได้หรือไม่ได้ประการใดอันนี้เป็นหลักสำคัญําต่างชาติทางศาสนาเขาทำได้เยอะบลเลเ่ยมนี้โรงเรียนอิสลาเช็คนิตมินบุรีมาปฏิบทททัติธรรมที่นี่มีอิสลามยี่สิสองคนทางใจปฏิบัติอย่างนี้เลยนี่คือเราก็อายเขาเนะอิสลามถือศีลอด กลงวันไม่รับข้าวรับขาวคื้นต้องทําให้เขาทําอาหารอิสลามให้ด้วยแล้วเขาก็ต่างใจปฏิบัติดีด้วยอย่างนี้ตลอดมานี่เนี่ยต่างชาติต่างภาษาพระพุทธาาเจ้ามาในเล่มเทียบดูบปฏิบัติทำจะเป็นมนุษยชาติมนุษยชคนคนที่ไหนก็ตามตางภาษาก็ทําได้ไมาจากัดเพศมาจํากัดวยัยจะเป็นเด็กก็ได้เป็นหญิงก็ได้เป็นสาวเป็นหนุมก็ได้ ก็เป็นอายุวัสูงแค่ไหนก็ทําได้เช่นนั้นแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราไม่ได้ทำเป็นกิจกรรมของชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธเราเกิดในเมืองไทยอุดมมาอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์เลยผักข้าวปาล์มันอาหารการบริโภคทุกประการประกอบศุลกากราคไม้ก็กกกก อ, อุดมสมบูรณ์พอาามาไปต่างประเทศหลายประเทศแล้วอะไรจะอุดมสมบูรณ์ท่าประเทศไทยไม่มีเลย ก็มีอุดมสมบูรณ์ที่ลึกซึ่งไปอีกก็มีธรรมะมีศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราที่แทรพระขยายให้เราได้อยู่เย็นปสนสุขตลอดมามีสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้ทุกชนิดแต่เสียดายคนไทยไม่สนไม่สนใจปฏิบัติธรรมา ก, รการบระการใดขอฝากท่านทั้งหลายด้วยที่เรามาเจริญกรรมฐ า, านก็ต้องการตรงนั้นต้องการให้มีสติมั่นคง ต้องการให้มีสมาธิกับปลูก ง, งานอย่าทิ้งงานและหน้าที่โปรดรับผิด้อบของตนเองการรับผิดชอบของตนเองเนี่ยเป็นการสร้างชา ส, ะ ส, ะสมบูรณ์แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร อ, อยู่ในจิตใจและในครอบครัวของตนเป็นต้นนี่จะมีประโยชน์กับท่านเองไม่จะเป็นประโยชน์คนอื่นพอได้พอเสียอยู่ในท่านเองจะเป็นชาสงฆ์องค์เจ้าหรือจะเป็นฆราวาสที่ไหนก็ตามถ้าปฏิบัติธรรมต้องมีเมตตาต้องขยนัน ไม่มีชื่อเสียททดคำปิติวตสไม่พักหมอกเหนือจนากนั้นจะไม่ขี้ขี้โกงจะไม่ขี้ฉาจะไม่ขี้วิทยาแต่ประการใดจงนั้นเป็นจุดสํากับแต่หน้าหน้าบําเพ็ญให้เป็นไปตามหลักคําสอนของเราไปตั้งแานี้แต่เราเนี่ยไม่ทําตามคําสอนเบี้ยวบูดเพี้ยนกระจามากแล้วไม่สนใจที่จะสร้างไม่สนใจที่จะทํา ไม่สนการที่จะช่วยตัวเองได้พระพุทธเจ้าสอนชัดเจนมากแต่เราไปเบี้ยวไปบูดกันเองการสอนว่าอัตตาที่อัคนนท์โผล่นเท่านั้นแต่ดิพึของคสอนสอนก็ดิพึงอย่างไรต้องช่วยตนให้ได้ฟองพึ่งตอนให้ได้ฟองสอนตัวเองให้ได้นี่เป็นหลักปฏิบัติอ่าเราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วสอนตัวเองไม่ได้แล้วไม่น่าจะเกิดมาทําไม เกิดนามีกรรมเกิดมาทําอลารอ๋อเกิดมาสร้างบุญให้เกิดความสุขให้นี่กรรมเก่าให้หมดไปอย่าไปสร้างกรรมใหม่ต่อไปเลยนี่ชัดเจนมากเห็น ท, ทั้งหลายเอ่ยแต่คนเรามีหลักธรรมกรรสอนที่อยากจะอ่อนน้อมทำซ้อนบางคนตากหน้าขาแข็งกระด้างขางแข็งไม่ใช่นักธรรมะผู้มีธรรมะจะอ่อนโยนอ่อนไวหวตลอดเลยการอ่อนด้วยมาลยาก วาจาก็เฉพาะเพียงอ่อยตาหวานเงีึ่งปากเป็นปากหวานหูไม่ลูหายก็ออกมาให้เขาดูกันได้ชัดเป็นรูปแบบน้องสังคมเป็นประโยชน์ต่อสาธุชนและบุคคลที่จะร่วมมิตรทำนั้นอันนี้มีประโยชน์มากคนที่ไล่ทำมะดูได้ดูภาคปฏิบัติอย่าไปดูว่าหมาพูดเก่งหมาจาได้อย่าประสูโถถ้ามีนัยก็ว่ากันตายแต่ไม่ปฏิบัติเลยกลายเป็นคนรู้มาก ไม่เป็นความรู้จริงแต่จะ ก, การได้คนรู้จริงทําอย่างไรต้องปฏิบัติหน้าทําได้รู้จริงต้องทําได้รู้จําต้องท่องได้รู้เร่งเห็นจริงต้องคิดก่อนพิจารณาด้วยสติปัญญาสีใช้สติใช้ปัญญาก่อนก็คือการเจริญสติปัญญาสีต้องการให้มีสติไปยึดเอาไปยัดไว้ที่เราความคิดคิดอะไรก็ตั้งสติไว้จะทําอะไรก็ตั้งสติไว้ แต่ทำอะไรก็รู้ตัวไว้ว่าทำถูกต้องหรือไม่ประการใดมันจะมีประโยชน์แต่ท่านเองไม่ใช่มีประโยชน์แก ค, คนอื่นแก่ประการใดอั น, นี้เป็นความหมายมากเพราะการเจริญกรรมาฐานต้องการตรงนั้นแต่เรามาทำการกิ้มจินจํมาๆมันจะได้อะไรก็ขอให้ทำตลอดไปชีวิตนี้มีกั์สารชีวิตนี้มันมีค่าเหลือเกินการเจริญกรรมาฐานท่านจะรู้ว่าชีวิตท่านมีค่ามาก เวลาที่มันหมดไปแล้วนันเป็นเวลาที่มีประโยชน์ควรจะทําอะไรบ้างควรจะแจ้งชัดอะไรบ้างควรจะเอาอะไรมายัดนี่ไนงะคนเราใช้เวลาไปไ ป, ไ, ปไม่เป็นเรื่องเป็นราวขมากเวลาก็ล่องรอยไปหมดเวลาก็หมดไปชีวิตก็หมดไปตามวันเวลาด้วยไหนเลยเราประโยชน์ตกในชีวิตท่านจะมีอะไรเหลืออยู่ในชิงท่านบ้างอาจจะไม่มีเลย การเจริญสติปัฏฐานสิกายานุปัฏนากายจะทาอะไรมีสติทุกคนเราต้องการขประดางนี้กายมีสุขและปิติมีสุขกายก็มีทุกปิตก็มีทุกไปด้วยอต่พระพุทธเจ้าสอนก็จริงนะสุกกายสุขใจความที่สิกายทิศจิตลูกกลับนามขันห้าเป็นอารมณ์แต่พระพุทธเจ้ายังสเสริน เพิ่มเติมไปอีกอะไรสู้สุดไม่ได้จิตเป็นหัวหน้าที่ต้องทำงานมโนโบุคคลเข้มาธรรมามโนเศษามโนโมายาจิตเป็นผู้นำศิตไม่ดีมันก็นำไปทางชั่วจึกดีมีปัญญาก็นำให้เราไปเสริมสร้างความดีต่อไปออกมาอย่างนี้ชัดเจนเลยถจะได้ผลออกมาจากผ้าปฏิบัติไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาไม่ดูเหนือลูตายนงอยากจะไปสวรรค์ อย่าไปนิทานได้อย่ามยายมทิที่เพกแล้วก็ได้เป็นพระโสดาไม่ใช่ต้องเอาตรงนี้ให้มันได้ก่อนพื้นฐานของมนุษย์กยชนมนุษยชาติได้แต่มนุษย์สมบัติเรามีปฏิบัติแล้วมีศีลดีแล้วมีกัลยาณมิตรมีกัลยาณธรรมแล้วนะเนี่ยเพื่อนจะเป็นมนุษย์สมบัติสมบูรณ์แบบเรายังเป็นมนุษย์บกพร่องกันมากหมกพร่องกันมากแล้วไหนเลยเล่าท่านจะไปสวรรค์ได้ การจะไปนิพพานตามวัาขอนไปนิพพานกันหมดสอนไปสวนรคแต่ความเป็นมนุษย์ต่ําต้อยถอยหลังหลงครองไหนเลยจะจะเองนท้ายขึ้นสู่สวรรได้ก็คงจะเป็นไม่ได้การเจริญจะกรรมาฐานพื้นฐานของมนุษย์ทางการให้เก็บเล็กผสมน้อยให้เป็นมนุษย์ให้เจงได้ให้เป็นมนุษย์บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์ไม่บใบสุทการโบิกคล้องกันมากมายในเรื่องมนุษย์นี้นะ่ะ ผมคนก็คนไม่ทั่วปากก็ล้นกลมก็รั่วไหลออกไปนาะนาประการไหนเลยลจะมีคุณสมบัติอันนี้อยู่กับตัวท่านได้คงจะไม่ได้แล้วนีนะ่ท่านพี่น้องที่รักที่ท่านมาเจริญกรรมาฐานนั่นต้องการตรงนี้เนี่ไม่ต้องการตรงอื่นถ้าทางทางความดีนะจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วจะมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยก็ขอฝากญาติพี่น้องไว้ด้วยจะมีความคิด ปรดิษฐ์สร้างสามนี้เลนมงินเงินทานทีแต่อย่าลอ้อลีจัดการใดเนี่ยขอฝากอนุโมทนาสามลการแก่ท่านนางหลายวิเดินเจริญกรรมฐ า, านทําให้จิตมั่นคงทาให้ใหจิตเป็นกุศมแล้วทําทอะไรก็ได้ผลมีเมตตาปราณิยารีเ อ, อเื้อเฟื้อคาเหลือพอดูกันในสังคมต่อไปจะมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยขอขอฝากท่านนางหลายไว้ในโอกาสนี้ด้วยจะเป็นประโยชน์กับท่านเอง เจเลงกรรมฐานตัวนี้เนี่ยถ้าที่มาบวชกั น, น็่่อนจะโหมผ้ากาสะพัดการอุปชาจะให้ผ้ากรรมฐานจะให้ผ้ากาสะพัดต้องเรียนกรรมฐานก่อนต้องเรียนตำราคนคิดให้เป็นมนุษย์ก่อนถึงจะบวชได้อุปชากันว่าอย่างนั้นผูกรรมวาจาย่อกล้องถามอีกมนุษย์โสที่เป็นไม่เป็นมนุษย์บวชไม่นาน มันทําให้วัดวารามยุ่งยากขุ่นวย้ยกในสังคมเอาเดรัจฉามมาบวชกันเอาเปลกมาบวชกันมันช่างยุ่งยากถึงตัวเป็นมือกระามก็ต้องถามสอบซ้อมสอบถามซักแล้น่อีกพระพุทธเจา้าสอนดีแต่เราไปทำอลัชชีกันเองไม่เคยประโยชน์ผลทิ่ผลสัระิการใดมีสุดมุ่งหมายอันนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ตามมันทั้งหลายมันจเจริญกรรมฐาน ถ, ถ้าจะมีปัญญาแกไขปัญหา ก็ได้หลากสามประการหนึ่งระลึกชาติตัวเองได้ก็ได้รู้ว่ามาปีกลางเนี่ยชิ้นเล่ามากหรือเล่นกลางพนันมากประการใดไม่รู้ชาติอย่างนี้หนีเดินคือชาติถือขาวคือประสาปัหาที่น้ำเงินง้นางหาคือมาหาจากกักรพงออกมาอย่างนี้กันตอนมีความหาชัดเจนนะขอฝากไว้ในึแน่นี้รู้ ก, กดแห่งกรรมเวลาทําเวรกรรมอะไรเราจะได้แก้ไขปัญหาของเราเอง แล้วต้องแก้ตัวเองแต่กรรมเก่าก็ต้องรับใช่ตมานี่ใช้มาหมดแล้วลดความลดชนลดขาดลดแตกลงห้ามลงเหวไปหกครั้งเน่ต้องใช้เวรใช้กรรมตลอดเลยตาเราถึงรู้กฎแห่งกรรมขึน้นมาประการที่สามเกิดปัญหาจะพะ่อนาจะได้แก้ไขปัญหาได้ทานช่วงทีนี่รอลีสัตยการใดกอขออนุโมทนาสาธุ ก, การแก่ท่านทั้งหลายเีื่อหลังมาเจริญกรรมาฐานจริญกลับไปขอให้มีโชคชัย ไปลามาไหว้นะต่ออโหสิกรรมอาโหสิกรรมช่งกระเลการขอโหสถต่อกัตนะตายต่อคุณครูบาอาจารย์เป็นต้นเราไปแล้วจะนั้นมีเวรกรรมจิดตัวไปขอาอาณาโมทนาร่างทั้งหลายได้ผมได้เสมข้าวกัถนากลับไปแล้วก็อย่เป็นความฝันถานมนาะวันภาวาเพียง7วันก็ น, นึกว่าเป็นความจริงชีวิตท่านต่อไปเชิยท่านจะประเสริฐในครอบครัวของท่านต่อปายทาใจสาอาดบริสุทธ การทำใจสะอาดไม่ไนายท่านจะมีบุตรธิดาก็นักปราบมาเกิดกายโกรกโกรกนรกมาเกิ ด, ใ, กนกกดในตัวท่านเสียงพ่อเพียงแม่คํำมาปกครพิเพีครูบาอาจารย์เด็ดต้นนี่สรุปใจความทั้งหลายเจริญกรรมฐ า, านก็ขอให้เด็ดถเสมค่ากัตถนาไม่ต้องหวังเถลเลิศใครเอาญาณทิพกเป็นประโสดาเกณฑอธิบายญานกันล่าตามไปเอาแค่ ม, มนุษยสมบัติเดชวรค์ก็จะมารอเพื่อจะแต่ไปที่นิพพาน ขอที่แกงแสดงมาพอสมควรแก่เวลาแล้วสต่ที่ประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายขอความสุขสวัสดีกับอุน์มีกับท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเจรเิญไปโดยอายุวันงาถุขาพละปฏิพานขณาสามทุ่มบัตินักเช็จเง่อประการได้สมความมุ่งมาปฏิางาด้วยกันทุ ก, กทุกนามณโอกาบบัดนี้เชิญ กะพโลค้เวิมอนต์ตสามการกางวัติเจ้าสามปเวลมาสีกานต์นตุกตจตวังภาวะศักดิ์เียงสือนจางตุกามวโรวินานจากสุมาเตน ตาลาโยตินสาโกอมวาิวาสนาเสวะสรตเมตตุาปจามิโนตากาโทามนติอายุวันโลทุขัง ให้ผู้ปฏิบัติทงนั่งท่านั่งสมาธิค่ะสับเทสับตาจับทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเปิดแก่เสียตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราทรงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัทยาปชาคงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เชีบา เ, เสียดเวรซึ่งกันและกันเลย อัมีคาจงเป็นสุเป็นสุเธิร์นอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสิชีอัตานังบรหิหะรันตุจึงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ใทั้งสิ้นเถิด ท่านพระพิธีปนนมือค่ะติทางเลมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแย่มาดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มาดาบิดาของข้าพเจ้าทรงมีความสุขอิทังเมยาตินางโหตุสุกิตาโหสุยาตโยขอส่วนดินนี้จงสำเร็จเกีญาติยาชงหลายของข้าพเจ้า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 แด่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทงังจอบพระเตตานังโหตุสุ ก, กิตาโหตุจักเพตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเดจ แกเปลอกทั้งหลาย